เธอมีความประสงค์จะช่วยเหลือไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่96สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิตคิดว่าเจ้าของจะเห็นจึงปล่อยฝูงปลาที่ติดลอบไปแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่97